จำเป็นของพวกคัพย์มาแล้วทรัพย์สมบัติมาแล้วว่ามันให้ความสะดวกสบายทางกายให้ความอยู่รอดทางกายได้ระดับหนึ่งแต่ว่าความรู่รอดทางจิตของเรายังต้องมีทรัพย์ภายในคืออริยรัพบเนี่ยเข้ามาช่วยบำบัดอีกทีหนึงทีนี้ตัวอริยทรัพย์ภายในเนี่ยเราเริ่มต้นที่ว่ามีศีล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 ก็มีอยู่ประจำกายฉล้ะตัวเวทนานี้มันก็จะเป็นตัวบอกอันตรายกับเราว่าอันตรายมากอันตรายน้อยเราสามารถสัมผัสได้ด้วยการผ่านเวทนานะับถ้ามีเวทนาเราก็มีรูปคือธาตุสีเนี่ยดินน้าลมไฟผสมประ ส, สานกันแล้วเกิดอากาศธาตุวิญญาธาตุวิญญาธาตุก็ให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ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 ใครมาทําร้ายเราก็กลัวใครมาด่ามาว่าเราก็โกรธก็เกลียดใครมาชังม้าไม่ก็ไม่ไม่สบายก็เลยมาเข้าใจอ๋อเกิดความรู้เห็นกระบวนการว่าร่างกายนี้เกิดจากธาตสี่เพราะนั้นเขาจะด่าว่าอะไรต่างๆเราก็ไม่โกรธไม่เกลียดเพราะเขามันไม่มี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 เขาพยายามที่จะเอาตัวอยากนั้นออกระดับเอาความอยากนี่ออกเขาเรียกเนคขมาสังกปรัตคิดในการออกจากความอยากอันนี้เขาเลยคิดในทางที่ถูกเพราะฉะนั้นความคิดจะเป็นตัวสัญชิติยาหรือตัวทุกข์ทั้งหมดไม่ใช่นะคิดในทางที่ถูกคิดออกจากความอยากนี่คิดในทางที่ถูกนะแล้วก็คิดในทางที่จะไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นคิดอย่างนี้เขาเรียกคิดในทางที่ถูกนะ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 มันจะไปทํางานมันก็ทํางานของมันแต่เราบริหารมันเป็นการบริหารทั้งกายทั้งใจเป็นก็เลยรู้ไตรสิขานี่เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วมันก็รู้หมวดหมู่เราว่าจิตของเราอยู่ในระดับไหนแล้วก็รู้แล้วทีเนี้อยู่ในระดับรูปนามหรือในระดับนามรูปหรือในระดับสมมุติหรือระดับประมัตดระดับการเกิดดับหรือในระดับของอาสวะทั้งสาม